คืออะไรในหนังสือวิญญาณฉบับที่1ิข้าพเจ้าได้อธิบายถึงความเป็นมาแห่งการตั้งสารพระภูมิและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพระภูมิซึ่งเรื่องที่เขียนมานั้นแม้จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยืดยาวแต่ก็ยังไม่ได้อธิบายว่าพระภูมิคืออะไร และเหตุไรจึงต้องมาประจําอยู่บ้านนั้นบ้านนี้บางคนก็เข้าใจว่าขึ้นชื่อว่าพระภูมิแล้วจะต้องเป็นเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้รอบรู้และสามารถที่จะคุ้มครองหรือบรรดาลอะไรได้ทุกอย่างปัญหาข้อนี้ข้าพเจ้าเองก็สงสัยจึงได้กราบเรียนถามท่านครูบาสีวิชัยว่าตามความเข้าใจของคนทั่วไปเข้าใจกันว่า รระภูมิเป็นเท พ, พเจ้าที่ต้องเชิญมาเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการทำพิธีเชิญและการสังเวยต่างๆและก็เข้าใจกันอีกว่ารระภูมิจะต้องเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้รอบรู้สามารถที่จะให้ความคุ้มครองหรือบันดาลอะไรก็ได้ความจริงในเรื่องนี้มีอยู่อย่างไรกันแน่ท่านได้ตอบว่า พระภูมิไม่ใช่มีองค์เดียวซึ่งใครจะเชิญไปไหนก็ได้เช่นตัวอย่างท่านจะเรียกว่าเป็นพระภูมิก็ได้ในเมื่อท่านไปประจำอยู่ที่บ้านไหนหรือไปอยู่ในสถานที่แห่งใดและความจริงท่านก็เคยไปอยู่มาหลายแห่งซึ่งก็ไม่ใช่เป็นการอยู่ประจำไปที่โน้นบ้างที่นี่บ้างและส่วนมากที่ท่านไปนั้นเจ้าของบ้านไม่ได้เชิญและเจ้าของบ้านส่วนมากก็ไม่ทราบเสียด้วยซ้าไปว่าท่านมาอยู่และในทํานองเดียวกัน ใครจะเป็นพระภูมิก็ได้ในเมื่อไปอยู่ที่บ้านไหนและช่วยดูแลบ้านนั้นและแต่ละบ้านหรือในสถานที่แต่ละแห่งเช่นในวัดหรือในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งใดก็ตามพระภูมิอาจจะมีมากจนไม่ทราบว่าใครเป็นใครก็ได้ตัวอย่างเช่นที่โบทวัดพระแก้วมีเทพเจ้าต่างๆมาชุมนุมกันอยู่ที่นั่นเสมอซึ่งในบางครั้งก็มีจานวนมากมายเพราะฉะนั้นคาว่าพระภูมิ ตามความรู้สึกของคนทั่วไปนั้นอาจจะเป็นโอปปาติกะองค์ใดก็ได้ที่ท่านพอใจไปอยู่ซึ่งจะถูกเชิญหรือไม่ก็ตามถ้าจะเรียกกันตามภาษาของมนุษย์ก็เรียกว่าพระภูมิทั้งนั้นแต่อย่างไรก็ดีท่านก็ได้อธิบายให้ฟังอีกว่าโดยปกติในที่ทุกแห่งจะต้องมีหัวหน้าซึ่งไม่มีใครแต่งตั้ง พวกโอปปาติกะเขารู้กันเองว่าใครเป็นคนที่มีฐานะสูงกว่ามีศักย์ใหญ่กว่าซึ่งฐานะและศักย์ที่ว่านี้ขึ้นอยู่กับบุญบารมีและสังเกตเห็นได้ง่ายเพราะโอปปาติกะที่มีบุญบารมีสูงกว่าจะมีรัสมีมากกว่าสดใสกว่ารุ่งเรืองกว่าสวยงามกว่าและอีกประการหนึ่งโอปปาติกะรับความรู้สึกจากโอปปาติกะคนอื่นได้ง่าย เพราะฉะนั้นโดยธรรมดาในเมื่อโอปปาติกาที่มีศักย์น้อยพอเข้าใกล้อปปาติกาที่ท่านมีบุญบารมีสูงกว่าก็จะรู้ได้จากความรู้สึกของตัวเองกล่าวคือจะรู้สึกเกรงกลัวหรือเกิดความเคารพนับถือเพราะฉะนั้นถ้าหากจะถือว่าโอปปาติกาที่เป็นหัวหน้าในสถานที่แต่ละแห่งคือตัวพระภูมินอกนั้นไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้แต่ขอให้เข้าใจว่านั่นเป็นความเข้าใจของมนุษย์ ที่มีความรู้สึกว่าพระภูมิมีองค์เดียวส่วนตามความรู้สึกของพวกโอปปฏิกะทั้งหลายแล้วเป็นอีกเรื่องหนึ่งและอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านแนะนำว่าอย่าเข้าใจว่าโอปปฏิกะที่มาอยู่ที่บ้านของตัวเองหรืออยู่ที่ไหนก็ตามจะต้องอยู่ประจำกันตลอดไปพวกที่จะอยู่ประจำไม่ค่อยไปไหนจนกว่าจะถึงเวลาจุดติหมายเหตุ หมายถึงตายจากการเป็นโอปปาติกะก็คือพวกภูมิเทวดาเพราะโดยปกติพวกนี้ไปไหนไม่ค่อยได้ไม่อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นนานๆคำว่าภูมิแปลว่าแผ่นดินฉะนั้นคำว่าภูมิเทวดาจึงหมายถึงพวกเทวดาชั้นต่ำพวกนี้เหาะไม่ได้ฐานะต่ำกว่ารุคเทวดาและรุคเทวดาก็ฐานะต่ำกว่า พวกอากาศัทถเทวดาซึ่งแปลว่าเทวดาที่อยู่ในอากาศหรืออยู่ในอวกาศเทวดาพวกนี้เท่านั้นที่สามารถจะทำให้ตัวลอยไปในอากาศและอยู่ในอากาศได้ท่านบอกว่าเนื่องจากเทวดาที่จะช่วยมนุษย์ได้จริงๆแต่ก็ช่วยได้ภายในขอบเขตจำกัดนั้นต้องเป็นเทวดาชั้นสูงโดยเฉพาะคือเทวดาที่เป็นพรหม หรือพวกที่มีความรู้สติปัญญากว้างขวางซึ่งเทวดาพวกนี้ไม่ใคร่จะอยู่ประจำที่ไหนนานๆโดยเฉพาะในโลกมนุษย์เพราะเทวดาทั้งหลายก็มีงานของตนเองที่จะต้องทำอยู่มากเหมือนกันเทวดาพวกที่ไม่ว่างพอที่จะมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์นั้นมีมากเพราะฉะนั้นจะต้องจำไว้ให้ดีว่าอย่าไปนึกหวังว่าท่านจะช่วยได้ตลอดเวลา และที่บอกว่าเทวดาสามารถช่วยมนุษย์ได้ภายในขอบเขตจำกัดนั้นมีเหตุผลหรือมีหลักการที่ควรจดจำไว้ดังต่อไปนี้ท่านบอกว่าให้ดูที่ข้าพเจ้าเป็นตัวอย่างท่านเองพยายามที่จะช่วยเหลือทุกๆอย่างที่ท่านคิดว่าจะสามารถช่วยได้แต่ความเป็นจริงแล้วท่านช่วยข้าพเจ้าได้น้อยกว่าที่ท่านตั้งใจไว้มาก ทั้งนี้เพราะข้าพเจ้าไม่ได้เห็นท่านโดยตรงและไม่ได้ติดต่อกับท่านตลอดเวลาเพียงแต่ในบางขณะเมื่อข้าพเจ้าเข้าสมาธิทำใจให้สงบนึกถึงท่านแล้วเมื่อต้องการจะเขียนหนังสือหรือต้องการจะพูดอะไรก็ตามท่านช่วยให้ข้าพเจ้ามีความคิดมีความเข้าใจอย่างที่ท่านต้องการได้เพราะใจของข้าพเจ้าเป็นสื่อพอที่จะรับจากท่านได้ แต่ก็ไม่ใช่ทุกอย่างและต้องเป็นเวลาที่ใจสงบจริงๆท่านได้ให้ข้อสังเกตว่าเรื่องที่ท่านจะช่วยแนะนำหรือบรรดาให้เกิดความนึกคิดบรรดาให้เกิดความเข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้ได้ก็ต่อเมื่อข้าพเจ้ามีความรู้ในเรื่องนั้นอยู่ด้วยและพร้อมกันนั้นท่านก็มีความรู้อย่างที่ข้าพเจ้ารู้ด้วยความรู้สึกนึกคิดจะต้องอยู่ในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน ข้าพเจ้าเรียนมาในทางพุทธศาสนามีความรู้ในทางพุทธศาสนาและท่านเองก็มีความรู้ในทางนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงถ่ายทอดความคิดมาให้ข้าพเจ้าได้แต่ถ้าหากเป็นเรื่องที่ท่านไม่ถนัดท่านก็ช่วยไม่ได้ต้องอาศัยโอปปาติกะองค์อื่นที่มีความรอบรู้หรือมีความถนัดในเรื่องนั้นเพ่งข้าพเจ้าในขณะที่ข้าพเจ้ากาลังจะเขียนหนังสือด้วยตนเองหรือจะบอกให้ใครเขียนก็ตาม หรือในขณะที่กําลังปทัทกถาก็ตามท่านบอกว่าข้าพเจ้าเองก็สังเกตได้ดีในเรื่องนี้เพราะว่าในขณะใดถ้ามีโอปปปาติกะคอยช่วยเหลือความคิดของข้าพเจ้าจะว่องไวมีปฏิพานดีและจะมีความคิดใหม่ๆซึ่งไม่เคยคิดมาก่อนไม่เคยรู้มาก่อนเกิดให้เห็นอยู่เสมอแต่ถึงกระนั้นในบางครั้ง ในเมื่อข้าพเจ้ามีความคิดรุนแรงมุ่งไปในทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะท่านเองก็รั้งไม่อยู่ที่จะให้คิดไปตามแนวอย่างที่ท่านต้องการซึ่งถ้าหากเป็นเช่นนี้ท่านก็จะต้องเรียกคุณสีเพนเข้าไปหาท่านแล้วก็บอกอย่างตรงไปตรงมาว่าท่านต้องการอย่างไรท่านมีความคิดเห็นอย่างไรแล้วก็สั่งให้เอามาบอกข้าพเจ้าอีกทีหนึ่งหมาเหตุ<ม>ผู้อ่านคุณสีเพน คือบุคคลที่สามารถเข้าทรงและติดต่อกับโอปปาติกะโดยตรงได้ท่านบอกว่านี่เป็นข้าพเจ้าซึ่งเป็นคนที่มีความรู้ถึงแม้ตัวเองจะติดต่อไม่ได้โดยตรงแต่ก็มีลูกศิษย์ที่สามารถติดต่อได้โดยตรงคอยช่วยเหลือท่านช่วยเหลือได้ก็เพราะใจของข้าพเจ้าเป็นสื่อและอีกประการหนึ่งก็คือ มีคนที่สามารถจะเข้าสมาธิไปพบกับท่านได้โดยตรงมีเรื่องอะไรก็บอกอย่างตรงไปตรงมาได้เพราะฉะนั้นการช่วยเหลือจึงทำได้มากแต่ถึงกระนั้นก็ไม่มากไปกว่าบุญบา ร, รมีของข้าพเจ้าจะพึงอำนวยให้ได้ท่านสั่งมาว่าเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่ามนุษย์หวังพึ่งโอปปาติกะมากเกินไปท่านในคอคิดว่าคนส่วนมาก ตัวไม่เป็นสื่อไม่อยู่ในฐานะที่จะติดต่อกับโอปปปาติกะได้ฝ่ายโอปปปาติกะแม้ว่าจะมีความปรารถนาดีและอยากจะช่วยเหลือสักเพียงใดก็ตามก็ไม่อาจจะช่วยได้เพราะว่าแม้แต่ในกรณีที่มีทางจะช่วยเหลือได้อย่างมากเช่นอย่างข้าพเจ้าท่านก็ไม่อาจที่จะบรรดาลอะไรให้ได้ทุกอย่างท่านให้ข้อสังเกตว่า พ่อฤาษีก็ดีหลวงพ่อสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์วัดระคังก็ดีหลวงพ่อสุขวัดมะขามเท่าก็ดีสมเด็จพระอุปัชาก็ดีและยังมีโอปปาติกะอื่นๆอีกหลายองค์ซึ่งท่านเคยมาให้คำแนะนำและคอยดูแลข้าพเจ้าเสมอส่วนท่านเองเป็นผู้มาที่หลังจงพิจารณาดูว่าบรรดาโอปปปาติกะทั้งหลายที่กล่าวนามมานี้ช่วยเหลือข้าพเจ้าได้แค่ไหน ข้าพเจ้ามีอะไรหลายอย่างที่ต้องการจะให้เกิดเป็นผลสำเร็จและท่านช่วยได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นให้พิจารณาดูให้ดีว่าเราจะหวังพึ่งโอปปาติกะจริงๆนั้นไม่ได้เราจะต้องช่วยตัวเราเองโอปปปาติกะทั้งหลายจะช่วยเหลือมนุษย์ได้ก็เท่าที่บุญบารมีของเราจะพึงอำนวยให้เท่านั้นอันหนึ่ง ท่านได้ให้สติที่ควรแก่การจดจำอย่างยิ่งที่สุดอีกว่าให้ดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้รับเชิญมาจากพวกเทวดาทั้งหลายในหมื่นจักรวาลให้มาเกิดในโลกมนุษย์และเทวดาทั้งหลายก็พยายามให้ความช่วยเหลือดูแลและคุ้มครองตั้งแต่ทรงเริ่มปฏิสนธิมาทีเดียวพระพุทธเจ้ามีเทวดารักษามากมายแต่แล้วในเมื่อถึงคราวที่ขับขันจริงๆเทวดาก็ไม่อาจจะช่วยได้ เช่นในคราวที่พระองค์ทรงต่อสู้กับพระยามานพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่ทรงประทับนั่งอยู่อย่างสงบในถ้ำกลางกองทัพพระยามารในตอนนี้เทวดาทั้งหลายก็ได้แต่มองดูเฉยๆเพราะไม่ทราบว่าจะช่วยพระองค์ได้อย่างไรแต่แล้วพระองค์ก็ทรงชนะพระยามานได้ด้วยบารมีของพระองค์เองและถ้าหากพระองค์ไม่ได้ทรงสร้างบารมีมาอย่างมากพอที่จะสาเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว เทวดาทั้งหลายจะช่วยให้พระองค์สําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หรือไม่เพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าเทวดาจะช่วยมนุษย์ได้ภายในขอบเขตจำกัดทั้งนี้เพราะขึ้นอยู่กับปัญหาที่ว่ามนุษย์คนนั้นมีความสามารถในอันที่จะรับความนึกคิดจากโอปปปาติกะได้เพียงไรและมีบุญบารมีมามากน้อยแค่ไหน ในที่สุดท่านเตือนว่าก็ในเมื่อคนทั้งหลายตัวไม่เป็นสื่อและเทวดาจะช่วยมนุษย์ได้สักเพียงใดการที่คนสมัยใหม่เขาดูถูกเรื่องการตั้งสารพระภูมิก็เป็นการสมควรแล้วเพราะมันไม่ค่อยจะได้ผลอย่างที่มนุษย์หวังเอาไว้แต่ท่านก็ขอเตือนพวกสมัยใหม่ว่าการทำตัวเป็นหัวสมัยใหม่เกินไปนักอะไรที่เราไม่รู้จริงก็ควรจะศึกษาให้รู้จริงซะก่อนเราจึงค่อยพูด ในเมื่อตอนเองไม่รู้แล้วก็พูดออกไปตามความคิดเห็นของตนนั้นคนที่เขาฉลาดจริงๆเขาไม่ทำกันหรือถ้าจะให้ดีจริงๆก็คือควรจะสแสวงหาผู้รู้ให้เขาช่วยแนะนำในสิ่งที่เรายังไม่รู้ท่านบอกว่าประเพณีทุกอย่างถ้าลงว่าถือกันมานานและแพร่หลายทั่วไปเหมือนอย่างกับการตั้งสารพระภูมินั้นให้จำไว้ว่า หรือเนื้อแท้ของเรื่องนี้ต้องมีไม่เช่นนั้นมันจะกลายเป็นประเพณีที่สืบเนื่องกันมานานตราบเท่าทุกวันนี้ไม่ได้อันหนึ่งท่านได้สอนมาว่ามนุษย์คนใดในเมื่อปรารถนาที่จะให้เทวดาช่วยเหลือก็ขอให้พยายามทำความดีไว้ให้มากความดีที่มีอยู่นั่นแหละจะเป็นสื่อสำคัญดึงดูดให้พวกโอปปปาติกะที่ดีเข้ามาหาเองแม้ไม่ต้องเชิญเขาก็มา เพราอระอบปฏิกะทั้งหลายจะสามารถรู้ได้จากกระแสความคิดที่ดีของคนเหล่านั้นและจะดึงดูดให้ท่านเกิดความเมตตาปราณีให้เกิดความรู้สึกอยากจะมาอยู่ด้วยและตรงกันข้ามถ้าคนไหนประพฤติความชั่วอยู่เสมอก็จะดึงดูดเอาพวกอบปติกะที่ไม่ดีเข้ามาอย่างพวกที่ชอบเล่นการพา น, านันหรือดื่มเหล้าอยู่เสมอก็จะมีพวกผีการพา น, านันผีเหล้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนเหล่านี้ ซึ่งจะทําให้ได้รับอิทธิพลจากพวกผีเหล่านี้ด้วยและโดยปกติพวกโอปปาติกะทั้งหลายเหลือนิสัยยากยิ่งพวกโอปปาติกะชั้นต่ําก็ยิ่งยากขึ้นอีกหลายเท่าเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นนักดื่มหรือนักการพนันนั้นบางครั้งเขารู้สึกตัวอยากจะเลิกจริงๆแต่แล้วก็เลิกไม่ได้ทั้งนี้เพราะพวกโอปปาติกะที่เข้ามาพัวพันนั้นเขาไม่ยอมให้เลิก และอำนาจจิตของเขามีอิทธิพลเหนือคนประเภทนี้เพราะฉะนั้นจึงเลิกไม่ได้ง่ายๆอย่างที่โบราณเรียกว่าผีพนันเข้าสิงผีเล่าเข้าสิงคำพูดประโยคนี้มีความหมายตามตัวหนังสือไม่ใช่เป็นแต่สำนวนเปรียบเทียบข้อนี้ก็คล้ายๆกับคนใดถ้ากินเหล้าคนเดียวไม่มีเพื่อนฝูงเมื่อต้องการจะเลิกก็เลิกง่ายแต่ถ้ามีเพื่อนฝูงที่เป็นนักเลงเหล้า และชอบพอกันมากจะเห็นได้ว่าเลิกไม่ได้ไง่ายๆเราจะเลิกแต่เพื่อนไม่ยอมให้เลิกในที่สุดก็เลิกไม่ได้เพราะสันดานของตัวเองก็ยังชอบอยู่ส่วนคนที่จะเลิกได้จริงๆจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งมากซึ่งข้อนี้ก็ขึ้นอยู่กับบารมีของเขานั่นเองเพราะถ้าคนไหนไม่เคยสร้างสัจจำบารมีขันติบารมีและอธิษฐานบารมีมาอย่างมากแล้ว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 เพราะคนที่ปฏิบัติตามหลักในมงคลสูตรนั้นจะมีสิริมงคลเกิดขึ้นแก่ตัวเองซึ่งสิริมงคลที่ว่านี้มนุษย์อาจจะมองไม่เห็นแต่สำหรับเทวดาทั้งหลายแล้วเห็นได้ง่ายมากเพราะผู้ที่มีสิริมงคลอยู่กับตัวมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเทวดาจะสังเกตเห็นได้จากรัศมีที่ออกมาจากคนคนนั้น ผู้ที่ปฏิบัติตามหลักในมงคลสูตรได้มากปฏิบัติได้บริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นส่วนมากรัศมีอันเป็นเครื่องหมายของสิริมงคลก็จะออกมามากสว่างมากสวยงามมากและด้วยรัศมีที่มีสิริมงคลนี้เองจะทำให้เทวดาชั้นสูงเกิดความเมตตาปราณีและเต็มใจที่จะให้ความคุ้มครองและพร้อมกันนั้นด้วยอานาจแห่งรัศมีที่เป็นสิริมงคล ก็จะทำให้พวกผู้ผีปีศาจคือพวกอปปติกะชั้นเลวเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าเข้ามาใกล้เพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ใดยอยากได้พระภูมิที่ดีมาอยู่ด้วยก็ขอให้ปฏิบัติตามหลักในมงคลสูตรจะเป็นการกระทาที่ไม่ทำให้ผิดหวังและเป็นการกระทาที่ไม่งมงายเป็นการกระทาที่บัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญทั้งในโลกนี้ และในโลกของโอปปาติกะหมายเหตุผู้อ่านสรุปยอ่อข้อปฏิบัติจากมงคล38ประการคร่าวๆให้ปังดังนี้การครบบัณฑิตไม่คบคนพาลบูชาคนที่ควรบูชาเป็นผู้มีบุญอันทําแล้วในการก่อนการตั้งตนไว้ชอบเป็นผู้ฟังมาศึกษาดีพูดจาเพราะพูดแต่เรื่องดีสุภาพไม่โกหก บำรุงบิดามารดาสงเคราะห์บุตรและพันรายาหลายิาทั้งหลายทำงานสุจริตให้ทานรักษาศีลประพฤติ ธ, ธรรมลดเว้นจากบาปการทำทั้งหลายที่มีโทษกระตันยูไม่จองของมีสัมมาคารวะอ่อนน้อมยินดีในของที่มีอยู่ไม่ประมาทอดทนเป็นคนว่าง่ายสนทนาธรรมตามการเข้าหาพระหรือสมณะตามสมควรความเพียรเผากิเลสประพฤติอย่างพรมการเนอริยสั์ทั้งหลายและการทำพระนิพพานให้แจ้ง Black a e r a